บุกทูแปดสิบเก้าออกเ็กนประโยคคำสั่งหนึ่ง Imperativo u คุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย Vi estas tro mal diligenta. เนสตูทียมมัลดิลิเกนตาคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกบ <it> ิดอร์มาสตร longe ne ีดอร์มูทียมลองเคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกวิเวนัสตรอมัลฟรุเอน ven นูทียมมัลฟรุคุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิวิริไดสตรเ์เล u เ e น e ริดุทิอม l ล u เ e คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิวิพารโรลาสตรมันเลาเทเนพารโุทิอมมันเลาเทคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิวิทริต ร, ตรมุล t ทท คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลย e. e. คุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป e. e. คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย วิธทุรทีเด่เมัดพเดลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์เ็กรสซิโนโรเอชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์็กซิดูสซ r โนโรเรนั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์ูซิดนอ ใจเย็นๆนะคะมีเวลาไม่ต้องรีบรอสักครู่นะคะระวังนะคะกรุณามาให้ตรงเวลานะคะ e อสต a c curata อย่าโง่นี่เอสตูสตูต